ดไปนบน อันนี้ พอพเมพ์พมจารณาถึงยาดคายเนปาลัยถึงตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆนี่คือภูประปฏิบัติธรรมะพวกเราท่านเป็นนักเบวชเป็นผู้แสวงธรรมะแสวงบุญคือความสุขพอุณที่นะนิมพิจารณางอนจิตเขา้ามาหายหนอยากสงออกไปภายนอก อ่าตเรามีโชดียิ่งกว่าสมัยพุทธก า, าลหรืคืออาจารย์ยุ่งก่่นก่อ น, อนเหตุใดจึงว่าเรามีโชคดีตาพวกตายนะั้น้าพวกเราท่านบวชมาหรือเกิดมาต า, สาแสเน่แห่อรจายมาทุกคิด ท, ทุกทาทุกไม่้ด้การบิญผาบา คนถ่วไปรู้จักที่จ ะ, จะทำบุญพึ้นทางกับน้ำบวกตะลอดทึ้งที่ดตที่อาศัยวัดว่าเอ า, าคืออาจารย์ที่สั่งประพฤติปฏิบัติมาก่อนแต่คนนี้สอนให้เขาเกิดศรัทธาและสั่งอววเอาไว้ว่าือดีด้วยหางสายว่าะะทุกสิ่งทุกอย่างน้ำไฟผ้าหนึ่งผ้าห่มอะไร เรารับความสะดวกสบายเพราะท่านส้างเอาไว้จึงเหล่านี้ถ้าเราเห็นชิ้นี้พิารณาตัวว่าง่ายความชิงแล้วก็จะเป็นกติเป็นสายตาขึ้นเขียเวลาตั้งนานลาบากยากเย็นก็จะไดพักอาศัยถึนแบบพึงมบัติเราจึง เราชอว่าคน็นสิ่งฉกลาบอันหนึ่งซึ่งหลวบในในกองกอหลังสั่งแปงอะไรหนักหนาวัดว่าทางต่อสั่งให้ที่อยู่ที่อาศัยแต่ที่อาหารตลอดจึงทางหนึ่งทางหงพอเป็นพอไปอาหารการขบฉันก็เลื้อเสือมีพอขบพอฉันในอดอยากอยากเย็นอะไร หน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของพระของเนรเมื่อสะบวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเลย ล, ลืมตัวใน่คิดว่าการทําแต่ละสิ่งแต่ละอันก็จะเป็นสึ้นมาได้ลาบากยากเย็นทาไนีีตัดใจที่จะต่างเขาเราเอง ก, ก็ต้องทํา อย่ากำลังแรงของกายลำบากก่าจะได้แต่และสิ่งแต่ละอันมาเป็นกิวิหารผ้าทอนทอนสบายเสมอกั น, น, กนเห็นมากกว่าจะ ล, ลืมหลงจากการเดามามันลำบากยากเย็นขนาดไห น, นกว่าจะเป็นผ้ า, า, ามีนุ่มห่มได้ลำบากเป็นปีๆเขาทำกัน กว่าจะเป็นสายเป็นอะไรมามันลำบากไม่ใช่งา่ายจุดมาตันมาทอกานลำบากกว่าจะเป็นขืนขืนบักเงีอยงเมีสมงดูทุกอย่างหาอกหย า, ยาโดโยมคารวาทีนี้ ใจใจศรัทธาหามาบเรื่องให้เราได้สะดวกสบายในการปฏิบัติกูดถึงอาหารการกัดฉันก็เหมือนกันไม่ใช่ฉันง่ายๆกว่าจะได้นะแต่ละขึ้นแตละอันข้าวกัดจิ้มาเป็นปีกว่าจะสุกออกมาออกผลให้อยาจะมาเป็นข้าวสุกถึงปากพึ่งคอพระ มันก็หากลาบากเรารู้เราพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ควรนอนอใจตายใจพระพิตุสามเณรือบวดในศาสนาหรือนักบวชทั่วไปทางทำดีในคำสอนของนาจากคำสอนเอาไว้ให้เป็นคนเลี้ยงง่ายให้เป็นคนรู้จักประมาณให้เป็นคนรู้จักตาาน ยาคุณเคยเห็นเลื่อนตนให้ทนี้ที่เจนมาของทุกกลุ่มทุกอย่างเขาให้มาดี๋ยวความศัทธาบูชาสู่ต่อพิสตปฏิบัติแล้วชอบเขามาให้อย่างกว้างทึ้งไม่มีคุณค่าราคาอะไรเขาให้ดี๋ยความเป็นใจเขงให้ด้วยยบ แยก อ, ออกมาจากมือของเขาเขายินดีเขียนบัญการทําบุญสุนทานการให้ผ้าอาหารจกดที่เขาเพศปฏิบัติจะเป็นยินเป็นกุศลต่างหากเขาถึงให้ถ้าหากเขาไม่คิดอย่างนั้นเขามายอมให้จะเปซื้ อ, อตัวเป็นเงินเป็นทองไม่เจของเขาขว้าทิ้ง เมื่อเราที่นี้เจรณาอย่างนี้เราต้องตั้งหน้าต่างตาประพฤติการวาจาใจของเราให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่งอะไรที่อยู่ที่อาศัยน้าใจทุกอย่างเมื่อสะดวกสบายอย่างเราเลยลืมตนลืมตัวในตั้งหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษา ทำดีในยิตใจของตนการใช้สอยกินต่างๆก็ไม่คิดถึงคุณคุณค่าของมันแลาก็ได้มาอย่างไรต้างให้มาเพื่ต้องการอะไรใจก็เลยไม่ตื่นมีอะไรก็ใช้ไปกินไปอยู่ไปโดยไม่คิดถึงว่าการดูของเขาการกินของเขาหนึ่งเหงื่อของเขา เขาให้มาต้อการบุญตัวของเราเป็นบุญเป็นกุศลด้ยอย่างวันหนึ่งเราได้ทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ชนและแก่โลกในคำหนึ่งที่นี้ที่แจนาจิตใจต่อเลยนอนนี่วันที่จะตื่นเมื่อตื่นตัวประกอบครา่าคำาาเทียนด่ะถ้าหากเราไม่คิด ซึ่งเหล่านี้มาสอนใจของเราเราจะตื่นตัวจะพื่ปฏิบัติเรื่องความผาดความเพียนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสมบูลบริบูลแล้วไม่มีอะไรนาที่ของเรามีแต่จะตั้งใจจะพึ่ปฏิบัติให้จิตของตนส ง, งบเป็นสมาธิเกิดปัญญาวิขิตมุตจิ่งจะถูก ต้องตามพุทธประสงค์ที่พระุทธเจ้าทรงตั้งสอนแต่เรานอนใจตายใจมาเดี๋ยที่นี้พิจารณาอะไรเพี้ยงเลยอยู่ไปอยู่ไปไปกินไปกินไปนึ่งหงไปนึ่งหงไปเดี๋ยวาเลยใช้สติปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นเขาใหมาเพื่ออะไรเมื่อเรามีอะไรที่จะให้ตอบแทนเขาเราก็เป็นหนี้เป็นสินเขา คนเป็นีเป็นสินมีความสุขความสบายที่ไหนเราจะมาเป็นเปรตในส่วนแบบหลอกอลวงโลกเขากินมันไม่ถูกต้องระเุืปฏิบัติเป็นสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีไม่ใช่ปฏิบัติชั่วอย่างไรมันจะดีให้ทาอย่างนั้นกายก็วทำความผาดความเยนเ็ น, ยนโดยยงคงภาวานา ต่าหาต่างตาทำจิตประวัติจิตเขาต่างเขาหามาให้จะตอบแทนสนองบุญคุณของเขาจะดีดีหานเราไม่อยู่ไปบิณฑบาตหรือจากไปหน่อกวัดก็ต้องปิดประตูหน้าต่างหนีไอขวาวัดของปีสุสามะเนรขวาวัดของนักบวชไม่เปิดอ่าวไว้หน่วงฝนตกมา ใครเล่าจะมาปิดให้ของสงผิดเราชายเราสอยเป็นเสือเป็นหนอนทางเราไม่ปิดได้ฝนตกมาลงศาสตไปมันก็เสียหายตลอดถึงกระดานมันก็ซุ่มก็เสียไปเหมือนกันดังนั้นเมื่อเราในอยู่ในวัดในวาเราจากไปบิณฑบาตหรือจากไปที่อื่นเราไม่ได้อยู่กติวิหารต้องรักษาให้เป็นขอาวัด นอกจากนั้นถ้าหากเราไม่รักษาแบบนั้นเปิดอ้าเอาไว้คนที่เป็นเจมามามองเห็นเขาว่าพระเจ้าพระสงฆ์มาอยู่ประตูหน้าต่างอะไรก็ไม่ปิดเขาไปสวยหยิบเอาไปก็เสียสินของเครื่องใช้ต่างๆขวาว่าปฏิบัติทุกอย่างต้องเป็นหน้าที่ของตนเพราะนักบวชไม่ใช่เด็กต่างคน ต, งต่างเป็นผู้ใหญ่ก็ที่ยอยรู้จัก หน้าที่การรักษาสิ่งของต่างๆได้ตรงนี้ยตนสอนตนว่าพิบัรณให้ถูกถ้าไม่ถูกมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสบายมันจะเป็นใจผูกวามดีความรู้เสียให้เราต้องพิจารณาให้มม ท, ทั่วถึงสุขปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีจิตวัตรทุกอย่างต้องดี เอาใจใส่ไม่ป่อยปะละเลยสิ่งใดที่ควรทำเป็นจิตส่วนตัวหรือจิตของสงฆ์ของส่วนรวมต้องเอาใจใส่ต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติรักษาเป็นกําลังความสามารถของตนเมื่อตนไม่เข้าใจสิ่งใดต้อรีบศึกษากับครูกับอาจารย์ที่ท่านรู้นี่คือผู้นึ่งปฏิบัติเกิดความดี ทางกายทางวาจาบอกพูดสิ่งจิตเป็นอัจเป็นทรมพูดเันเขาถ า, า, าเครื่องคากาเกลียดปัญหาออกจากใจอยา่าไปพูดติลชาชานในาถาคือคุยกันไปโดยไรประโยชน์ไม่มีเหตุมีผลอะไรนี่เจ็พูดเรื่องโลกเรื่องสองสารถ้าหากพูดกันไปมากเข้าใจต็ขาดสติ ที่นี่ที่เจรนาเรื่องของตัวพูดเลยเถิดเลยแดนไปใจเลยติดเลยค่้องในสัญญาอารมณ์ที่ผูดไปทางสวีในแั่นตับอาบัติพิราชานกาถาห้างพูดถัาฝาหุน้นพูดไปทาก็ปรับอาบัติแต่เป็นพระเป็นเมน ตับอาบัตก็คือรับบาปรับทุกในเสีาทางดีทางวิเศษเพราะนั้นจึงต้องวระวังรักษาต่ง ใ, ใจตัวยิ่งเปงนของละเอียดเข้าไปถ้าใจไม่นึกไม่คิดมันก็พูดไปไม่ได้เพราะวาจาออกมาจากการนึกคิดเยอยก่อนแต่นึกคิด ไม่มีสติกำกับรักษาในมีปัญญาสืบสอบความผิดถูกชั่วดีตัองกคิดไปยิ่งเกิดเป็นสิาฉาณกถาพูดคุยกันไปสิ่งต่างๆนานาทางโลกทำให้จิตใจกำเริบในทางชั่วทางเสียฉะนั้นรักษาให้ดีทุกอย่างดติตั้งหน้าต่าง ต, า, ง ต, า, งตาปร ะ, ประพฤติปฏิบัติกายราจา ใจของตนดีถึงยิเลศยังมีกต่างนาต่างตาจะบุคคลปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลศของตัวไปนอนใจตายใจทุกว <borg> ันทุกเวลามันพิจิตรนาตวตาศีนของตัวสมาธิของตัวใจของตัวจะมั่งเสมออยู่มีเชื่อผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดี คนที่ปฏิบัติดีต่างหน้าต่างตารักษากายวาจาจิตของตัวอยู่อย่างนั้นในวันใดวันหนึ่งความดีความวิเศษจะเกิดขึ้นให้คือจะสงบเข้าไปทิ้งใจใจจะเย็นใจจะเป็นสุขเห็นบุญคือความสุขในจิตในใจทั้งตนพอจิตสงบขอจิตไม่เป็นบา หนึ่เป็นสุปฏิปันโนเรื่องตนเมื่อจิตสงบทีนี้พิจารณาทางธรรมะกอสามารถพิจารทราบได้เรื่องต่างๆนานาเรื่องผิดถูกชั่วดีเพราะจิตสงบจิตเป็นสมาธิเรางนี้อคติสิ่งใดเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้น ตามเป็นจีิงของมั น, นเนาาข่นพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกายของตัวก็อาจจะแยกคายลงไปเพราะใจเป็นสมาธิใจสงบใจมีอคติพิจารณาอะไรต่วเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อาจสามารถศาสตร์ได้พอกายถ่วไปไม่ว่าส่วนใดแข่งขา แขนมือต่างๆเขาไมา่ว่าเขาเป็นแขนเป็นขาเป็นแขนเป็นหนา้าเป็นตาเป็นหลังอะไรความจริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรถ้าหากใจสงบก็พอทราบได้ว่าสิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่แต่จิตมาถึงพาอาศัยธาตุทั้งสี่คืออะไร ดินน้ำลมไฟนี่คือธาตุทั้งสี่เราจะแยกแยะ ด, ดูให้รู้ให้เข้าใจก็พ อ, อแยกแยะได้สิงใดที่มีความเข็นแข็งเ ข, งขาก็เรียกว่าธาตุดินเส้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเปนต้งซึ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ในกาย ก็เข้าใจว่าเป็นของของเราแต่เมื่อยิดจากไปสิ่งเหล่านี้จะต้องป่วยเน่าลงไปสู่ภาพเดิมของมันถาดเดิมของมันคือดินเท่านั้นถึงจะชาหรือเร็วต่างกันก็แล้วแต่สิ่งนั้นมีความแข็งแรงผิดกันถ้าสิ่งใดแข็งแรงน้อยสิ่งนั้นก็เยื่อง่ายคุพ่พังลงไปง่ายเป็นดินไปง่าย ดินได้ที่ยังแข็งแก่งอยู่อย่างกระดูก่านตนีกว่าสิ่งนั้นจะตายเป็นดินไปแต่ตอนนี้ไปไม่ได้จะต้องเป็นาบ ด, ดินลงเป็นดินตามสภาพของมันส่วนถาบน้ำก็เหมือนกันจิิงที่เหลวเอืออาบตามตัวของเราเป็นต้นว่า น้ำลายก็ดีน้ำหมูก็ดีน้ำมูดก็ดีน้ำเลือดน้ำหนองก็ดีน้ำเหลืองก็ดีน้ำดีน้ำเสลต์ก็ดีที่นี่อยู่ในกายของเราสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายไปเป็นน้ําตามธรรมมาชาดถาดขันข้องมันมันจะลงไปอย่างนั้นถาเดิมข้องมันเป็นอย่างไรมันจะไปอย่างนั้นเราเคยเห็นคนตายที่เขามาฝังมาเผา นานๆเท่าถ้าเข้าไนเผาเขาฝังจะเหลือแต่กระดูกเหงือหนังเอ็นจะต้องเปลี่ยไปเป็นดินน้ำจะอยู่ในกายก้อเหยียดหายไปซ้นซาบลงไปสู่ดินหรือเป็นไอขึ้นอากาศส่วนลมไฟเป็นธาละเอียดหมดไปง่ายพอ ออกจากล่างเท่านั้นม่ทีนาทีไฟมันก็หมดคือเย็นทั้งตัวความอบอุ่นไม่มีลมหายใจมันก็ไม่มีจะเหลืออยู่ในท้องในไส้แล้วมันก็จะหายไปทำนองเดียวกันอีกไปเป็นลมมีธาตุทั้งสี่เป็นอย่างนี้จิตที่ไหนในที่นี้จะที่จะเลยมา คือว่าเราหว่าเขาว่าสัตว์มาบุคคลความจริงเ่ยใส่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเป็นแต่ธาตุทั้งสี่ประกอบกันเข้าเท่านั้นถ้าหากคุเจนะเข้าใจชัดเจนเห็นด้วยจิตของตนก็ไม่มีทางสงสัยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์เมื่อสัตว์เรื่องของตัวอย่างนั้นว่ากายนม่เช่เราเราไม่ใช่กาย แล้วความสาคัญมันไมนยึดถือมันก็ไม่เกิดขึ้น่านจึงว่ารักละสกายทิฐิคือไม่ถือกายว่าเป็นตนไม่ถือตนว่าเป็นกายไม่ถือกายว่ามีในตนไม่ถือตนว่ามีในกายจิตจะต้องเข้าใจประจกักษ์ชัดเจนอย่างนั้นนี่คือการละการเห็นในจิตในใจด้วยการพิจิรเจนด้วยการปฏิบัติ ดีของตนจิตเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นท่านก็ว่าเป็นพระพระอะไรพระโสดาเือยี่เลียดหยับหยาบไปได้ราศกายาติจิวิจิจฉาในมีทางสงสัยในจิตในใจของตนว่าคนสัตว์มีหรือไม่หรืออะไรที่สมมุติโลก เป็นอย่างไรก็พูดตามเขาแต่จิตของเราทราบซักไปจากแย่งอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยภายในตัวเพราะเข้าใจไปจากสมมุติไปตามโลกของเขาเพราโลกปีสมมติเราก็ต้องสมมุติไปตามเขาแต่เราไม่หลงในสมมุติเข้าใจเห็นจริงไปจากในจิตในใจของตนไม่มีทางสงสัยไม่มีการลูบการทำ สิรัตมากปางมากพอความจริงมันเป็นอย่างนั้นจะได้ลูกคําอะไรกันเมืจ่ใ จ, ใจิตใจมีเห็นเด่นชัดเป็นจริงอย่างนั้นท่านผมเป็นพระคือประเสริฐขึ้นควรที่จะหลงจะติดจะคล้องไม่หลงไปตามสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินพอพิจารณาภายในเข้าใจเด่นชัด ว่ามีอะไรนอกจากสมมุติความจริงเป็นอย่างไรได้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วนี่คือการพิจิตรเจนาการปฏิบัติรักษาตายใจท่องตนถ้าหาวิธีเจนาภายในในธีเจนาเข้ามาสำลักใจท่องตนจะอยู่ในวัดไดกี่ปีกี่พรรษาก็ไม่มีเวลา จี่จะละจะถอนกิตเหลือตัญหาได้มีแต่จะล่มหลงเผลอเพลินติดข้องเหื่อยไปตัวคงตัวก็ตามีตัวเพราจิตมันชั่วจิตมันปรงจิตมันจิตมันข้องเข้ามาเป็นพระเป็นเนีนก็เป็นแต่เทศแต่จิตเป็นพระเป็นเนีนหรือไม่พระแล้วประเสริฐประเสริฐอย่างไรจิตใจยังมีราคาตัญหา มีโลภมีกรมีหลงอยู่หรือหรือหัางหมดไปแล้วทายังไม่หมดทำไมไหนื่อยชำระสาสางทาหมดไปแล้วทำไมจิตใจจึงกระวนกระวายอยากอันนั้นต้องการอันนี้ไม่มีวันเพียงพอบอลบูร์ขอรับปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ติดตามแต่เรื่องกิเลสตัณหายู่วยุ ไปในแห่ไห น, นมุในมใดก็วิ่งตามไปนี่หรือลูกศิษย์ของพระตถาคตของพระพุทธไตรจ้างท่านดีวิเศษเป็นสาวกของท่านได้ท่านประพุทธแบบเราคิดแดบบเราพูงแบบเรานหรือถ้าจูงแบบเราคิดแดบดแดบเร า, า, าติดข้องแบบเราจะมาปิดเผยเปิดเผยวิเศษอะไรตัวของเรากตา่ำหนีตัวของเราได้อยู่ นี่คือเรื่องตัวข้องตัวจะสอนตัวข้องตัวที่าจรณาตัวข้องตัวเพราะตัวผู้ตามสมมติคือกายจิตเป็นตัวธรรมะเป็นตัวกิเลสถ้าประพฤติถูกปฏิบัติดีตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้า จะดีไปได้เป็นธรรมะไปได้ถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติชั่วราคาตัณหามันก็เป็นทางชั่วทางเสียไม่มีอะไรที่จะดีวรเศรษให้ใจก็เดือดร้อนวุ่นวายตัวเองก็ตําหิตตัวเองผู้พิจารณาแล้วกัคทงตําหิเพราะเราไม่ดีเราเห็น เด่นอยู่ในตัวของเราวางตัวของเราไม่ดีถึงจะทำกิริยามาไมยากถ้าทีสงบลังับแต่จิตใจไม่สงบระ ง, งั บ, งง บ, งงบให้เลยเป็นพระผู้บื่เบื่ไม่ได้เป็นเนรสมณะผู้สงบงไม่ได้ต้องพิจรารณาภายในสอนกายสอนใจของตนจึงจะเป็นพระเป็นเนรที่หนาสักการะบูชาทุกสิ่งทุกอย่าง ท่นบุเบิกมาให้เราได้พทักพาอาศัยใด็ขบฉันหนุหม่มห่มนว่าโชคอันประเสริฐดีเศษเราไม่มีอะไรที่จะเป็นภาละกิจคิดปรุงเพื่อจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อีกนอกจากจะ่ทำละจิตใจของตนวันคืนที่ผ่านไปแ ต, ต่งหน้าทำความเพียนพิจารณาละกิเลส ทำไมทำแบบนี้การบวชกว็มีคุณค่ า, าะอะไรเลยบวชเรื่องกิเลสของตนกิเลสหน้าวันเ ต, ต, ติบโตจะเริ่มกล้ามากเพราะใจมนะัอยู่วัดอยู่วังเป็นขว่างหาตั้งใจสิ่งที่เป็นพิศเป็นภัยมาให้ใจเศษใจปิดใจชิดใจปงุงทั้งๆที่อยู่ในวัดเป็นพ้ะ แต่เพศเมื่อมันเป็นอย่างนั้นนันก็ไม่เห็นคุณวิเศษคือธรรมที่พระพุทธเจา้าสอนไม่เห็นคุณวิเศษก็เกิดสงสัยว่าเราไม่มีอำนาจบาสนาะบวชมาก็เลยได้รับความส ง, งบสาบายจิตใจวุ่นวายกังวลก็เพราะเราไม่รักษาจะให้มันส ง, งบ มันสบายแต่มันพทุกพล่านไปด้วยการส่งใจไปติดข้องกับเรื่องภายนอกประเน้องทำเข้ามาที่นี่ที่เจรนาส่งราใจใจมันจะสะอาดผ่องใสยอย่างไรหน้าบวบันที่จะเมื่อดนิดปิดบังด้วยใจเพราะภานเนียนในทำจิตการงานหนักเหมือนคารวะมีแต่ฉันแล้วก็ หลับนอนกันผูกคุยกันในเรื่องยิราชนาการถาเรื่องกิเลสตัญหาต่างๆราคะตัญหามันก็กำเริบเพราะมันเหนื่อยมีความเหนื่อยเหนื่อยหีวมีแต่กินแต่นอนมีเป็นเรื่องเสริมกิเลสของจิตของใจกายก็มีกำลังใจก็มีกำลังทางชั่วทางเสีย ก็เลยระเบิดใหญ่นะความสุขในเพศในธรรมนี้ในไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยสงสัยว่าเราไม่มีอํานาจวาสนาแต่เราไม่ทําอํานาจวาสนาวาสนามันจะเกิดมาอย่างไรผู้ที่ท่านมีอํานาจวาสนาทํานทำทุกสิ่งทุกอย่างท่านมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจริงแย่ง ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ตายวันนี้วันหน้าเราจะทำให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เห่นเราเราไม่ทำไม่มีใครที่จะทำให้ท่านสอนใจของท่านอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาตั้งหน้าตั้งตารักษาตั้งหน้าตั้งตาระกิเลสอารมณ์สัญญาที่ผ่านมาตัาดออกไป งออกไปไม่ใช่ทางทำดีในในเสด็จทางที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ท่านจะต้องรู้รวมของทาง่านตลอดวันตลอดเวลานี่ฝึกมาบวชมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติเก่วความดีของตัวถ้าตัวดีรู้เห็นทำดีในเด่นชัดภายในใจมันเย็น ไปสถานที่ใดเย็นคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายทั่วโลกนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาร้องให้เสียใจแทนที่เราจะเป็นไปอย่างเขาเราจะทราบดีว่าที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปจากจิตที่จิตถือของถือเอสาถือหมอถือศาสตร์เรื่องของจิตตัวเองตามเป็นจริงจิตจิม่เป็นไปแบบนั้น เดือดร้อนกะวนกวาเดือดร้อนร้องไห้ลำพันธ์